ภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ในวันปรนนานั้นหมู่ญาติจะภิกษุไว้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับหมู่ญาตินั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกรุณาปล่อยภิกษุนี้ไว้สักครู่จนกว่าภิกษุนี้จะประนน่าเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับญาติเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกรุณารอณ ที่อันควรสักครู่จนกว่าภิกษุนี้จะมอบปรณาเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับญาติเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกรนานำภิกษุนี้ไปไว้นอกสีมาสักครู่จนกว่าสงจะปรณาเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้สงไม่พึงแบ่งพวกปรณา ถ้าแบ่งพวกปวารณาต้องอบัตรทุกกฎภิกษุทั้งหลายอันหนึง่งในกรณีนี้ในวันปวารณานั้นพระราชาทั้งหลายทรงจับภิกษุไว้พวกจนจับไว้พวกนักเลงจับไว้พวกภิกษุที่เป็นศัตรูกันจับไว้ภิกษุทั้งหลายพึงกล่าวกับภิกษุที่เป็นศัตรูกันเหล่านั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายกรณาปล่อยภิกษุนี้ไว้สักครู่จนกว่าภิกษุนี้จะปะวารณาเสร็จเถิด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 รณานำภิกษุนี้ไปไว้นอกสีมาสักครู่จนกว่าสงจะปรารณาเสร็จเถิดถ้าได้อย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าไม่ได้สงไม่พึงแบ่งพวกกันปรนารณาถ้าแบ่งพวกกันปวนารณาต้องอาัททุกกฎ